เราทำวเตสนาจารกเรื่องดังมากปิ่นคำผูกติซิบเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทำฮกเปโยกนักทำเอ ง, งอดีตเจ้าคณะจังหว <c oughs> ัดเชียงไฮ้โมตัจพากวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะ เตสังโกนะเตเจนะสักกะชาปนุกัมปาลาสีลาสนังอุณาการังตัสีสตี สาบุดุราสปุริตาตั้งหลายตั้งยิงใจมวลหมูอันนั่งอยู่ได้ฟังจาดกยังไปแล้วพระตนแก้วจริสนา <c oughs> วาน่าเตสังโกนาเตเจนาดังนี้เป็นตนพิกขาวดุราพิกุตั้งหลาย อันเป็นสายอริญ่าเจ้าส่วนสองนอเ น, นาองค์คำลัดดงดำเถื่อนทองเปืือปอกห้องปุรีญ <c oughs> าตาและมิเมื่อได้ดังอันตาตาในก า, าละนั้นอันว่าหินปันดูกำปะละศิลาอาด แห่งเต้าที่ราชอินตาปกติมาแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนสุขุมานกบันดาลขาดางห้อนแข่งข้างสเสบือหินตนขุนอินหันเหุจริงส่องพาเนตเล็งดูยังจุมปูโลกใต้ก่อได้บัดเดียวว่าสองต่อเคตาเขียวนอลาบุญดันป่าดงตัน เพื่อภายพันไปสู่ยังตีอยู่เวียงใจตั้งยังไก่แต่โสดลายโรยโหนกันานาเป็นดอยผาเถือนทมกวนกูกรรมสมปานเฮือ <c oughs> สององคานปีน้องไปรอทองเดียวพันคุณสาวันเกิดแล้วก็เรียกเตบาบุรแก้วต่างตาฮือรีบมาฟังเฝ้า แล้วบอกข่าวไขกัมบาดูระวิสุกรรมตนองอาตันจุงยอดลงไปกลางดงไพรป่าไม้ที่จิมไกนอโพธิญาณ แล้วบรรดากระเปดเป็นจังวิเศษข่าวปอนน้ำสองผู้ทอนตั้งกู่รีไปสู่ปุรีแล้วรีบหนีปอกเต้ามาตีเก่าเร็วปันแดเตอร์ตนันเตวาบุตนวิเศษกอกมเกตเกสาย่อหัตตาตั้งเก้าไว้เต้าเจ้าคงสวรรค์แล้วภายพันบ่จ้า จากจันฟ้าปลายบนลงไพ่สนเทือนทองตัดจ่องปีน้องเตียวมาเนระวิดกัญญาบ่อจ่าเป็นจ้างเพื่อก้าข่าวปอนสองหงอนสว่างอยู่จิมข้างกองตั้งสองบุญควางมารอดสัตตาตอดเล็งหันยังจ้างดองตันเพื่อแก้วงามเลิศแล้วเรือตา ยินสังกาลายลากจริงออกป่าไขรกำสังนางปินคำนอเนาว่าจ้างดีเล่าข่าวปอนสองงะงอนองอาจวันนาวีลาดเดือลาย จังปังไปมวนหมูลาเล่นอยู่ดงดอนปีเตียวจอนป่าไม้เคยจวบใดหันมากาณาลายแหลมีจูแง่ดงตันบอเคยหันจางแก้ว ดูลดเลิศแล้วองามเลาปี่จากเอาจังนี่ปานางขี่เมื่อเมืองเจ้าบุญเรื่องว่าแล้กวก่อสาดมนแก้วเจียงคานฮือจังสารตัวใหญ่ยมอ่อนใดดังหมายจังปูปายวีเศษหูแจ้งเหตุสัญญาแสงเท่ยวมาต่อหน้าหมู่ปลงทาดาไปก็มีหันแลนา วนนอปุถินญาณตนอง์อาจกับนางนาสาวสัลีขีจังดีเผื่อแก้วงามเลิศแล้วงาโงนหลัดดงดอนป่ากว้างตามไฟอังวโนได้เปื่อจักไปสู่หองแดนเขตต้องปุรีจังตัวดีวิเศษก่อนโยเขตดงดอน แสงเตียวจรนบ่อจ้าบุญดันป่าเรียวปั้นยามตะวันเตียงคอนก่อป่นบนดงด้านถึงวิญญาณส่วนดอกที่ปลนอกปุรี น้อม <cin measurements> right, ูน <com> <sh> are <un> ีบนใหญ่ขะนิงไข่สังกาวาสันได้จ้าดังอีเมื่อก่อนกี่เดิมอ่อนกูเตียวจอนไต่เต้าดันป่าเศร้าดงตันไลขึ้นวันแต่ใสจริงมารอดไก่เวียงใจเป็นสันได้วันนี้กูได้ขี่ไปสารลัดดงดานเตื่อนทองปล่อยมารอดทองเดิวปัน นอหอดจันยศใหญ่คานิงไขในใจแล้วจะไขต้านต่อซึ่งดางนอปินคำบาจากน้ำจ้างแก้วงามเลิศแล้วงางอนเขาดากอนปอเต้าถึงรอดดาวหอดใจบ่เฮ่ไพน้อยใหญ่ได้หู่ไขไปไหลนา้งชมชายยอดซอยแสง่์าวถอยไขกำ ว่าตัวปิน่นคำน้องเดาขออยู่เฝ้าศาลาปีจุงดาไปก่อนกันรอดบอลหอใจหือเสนาในมาเกเต้ามาแหน้องเข้าปาราดังข่าวข้าก่อนกี่จริงถูกตีโบราณ น, นอโปที่ยานยอดซอยแดยินทอยปิน่นคำจริงใครกำตานเล่า ว, ว่าอย่าเอาคำเก่ามาจา บูราตมาแต่ก่อนเจนปูมอนซอนไม้ว่าตุ้มพาลายมาเห่าคนกำเก่าพิดกันปีบอพันจากน้องไว้อยู่ห้องแดนใดบอ่อนีไกผ่าค้างบกหือห่างกาญยาปีจากป่าดองเดาเร็วรีบเข้าปุรีป่าเพนีแต่ไทยของดไว้เป็นหน โตนตอออสับปนเก่าแล้วก่อใส่จ้างแก้วกางอนเขา้านาคนบรบ่จ้าจุมไผ่ฟาเล็งหันเขา้ปาปะกันจืดยาวโหรอ้องเศร้านั่นเนืองเจ้าบุญเรื่องฝั่งเฝ้าออไปรอดาวหอจันทก่อไผพันก้าผากรีบลงจากไม้าสานหืน่นนายนักการแก่นใจนำจ้างใหญ่ดงไพร เรีบตํำไปมัดไว้ที่ห้องใหญ่โรงคำวิสุกรรมตนวีเศษอันกะเป็ดบันดานเป็นจ้างสารป่าไม้กันคนน้อยใหญ่ดีไก่กอเร็วไว้ละเป็ดขึ้นสู่เขตเมืองสาวาันอหอจันยอดใหญ่ป้านางนาทไรใสใจเรีบเร็วไว้ว่าว่องขึ้นสู่ห้องหอคำ ย่อมือตัอ้มวางเก่าไว้ป่อเจ้าราชาตั้งบานดาแม่ไทยอกปันไม่เรร้นตั้งสองคนป่อแม่น้ำตาแผลลำลาร <c oughs> จริงจะใครทําเล่าซึ่งลูกเต่าดา้าเจ้าก็จะตานก่าหืมข้าวตา ม, มีก็มีหันและนะา สาพิขอปนานมัตตานีส่วนนาวมัตตานี้หนุ่มดาใจกำเศร้าเบาวนนั่งอยู่บนผาสาตีห้องราดหอในจุมเจ้าไตไผ่ไตาอาหมัดใหญ่โยธาบีนำดาทั่วดาวหร้องเศร้าเนื่องนั้นจริงไผ่พันและสองตีน้าปองเบ่งจอน อันนอผู้ทนยอดซอยกับนางนัดน้อยสาวสารีขีหัตทีจงังแก้วงามเลิดแล้วเตียวมาตามมักกาตั้งไท้ดารอดไก่หอใจมันตกใจสาลังอกแกนกังปานผีจักเล่นนีลีนาบ่จ้างกว่าตั้งใดรีบกาไก่ใหญ่บาดจากภาสาดหอจันทร์ กันพดพันลงรอตีตีนจอดทร์นีแผ่นปฐวีกว้างใหญ่แย่จ้องไว้เป็นเหวไฟเป็นเปียวทางขึ้นตั้งแต่พื้นเอเวจี นางกาลีหยาบจะลวดความนาลงไปสะเวยตกในนรกใหญ่นับอันใดแสนปีเป็นทุกขี่ไม่เดือดบกเือดขึ้นวันก็มีหันและนะ ตาดันตารังทัดดันไปบ่จ้าตนเจ้าฟ้าพิตาก็มีอาญยาฮือเปล่าไปตัวดาวเวียงใจว่าแต่นี่ไปไปนาบ่เดินจ้าเจ็ดวัน เจ้าจันยศใหญ่จังฮือโลแกน่นไทยสุริญยากุ ม, มานเป็นเต้าผู้บ้านแต่นแต่นเป็นลักเก่นราชธานีฮือเจ้าปุรีไพราตังอามาตย์เซนาตั้งโยธาจูผู้ใดไปสู่ลานหลวงเล่นปันปวงจูอย่างตามอันจ้างใจหุ่มฮือไปซุ่มเสียงไข่ ย, ย่าเว้นไวเนไ้เฮือนใด เสียงกองใจตาตุ้มดังจากคุมหอคำคนน่านำเท่าท่าได้ยินข่าวสัญญาข่าวสมนัตสาจิ้นสูหอร้องอยู่นนเนื่องเป็นดังเมืองใหญ่กว้างจักแตกมังเปฟังเข่ากึดวังใจจอดไข่รอดบัดเดียวก็มีฮันแลนา สตัตวเบตีวะเสสัมปเตกันวันทวนเจ็ดมาไขจุมไผ่ไตยิงใจเสนาไาลหนุ่มเท้าอามาตเก้าคนในป้ากันไหลามาสู่พ้อมาอยู่ลานดวงเล่นปันปวงต่างๆตามอันจ้างไผ่มันเสียงเดืองนั้นสาสาวสาันดานดาวดินดาน จุมคนหารหุ่มเล่นหกเล่นเต้นเจิงลายกำดาภายแอนฟอนปุ่งหอกซ่อนสะสนจุมหมู่คนทงเล้าก่อแวกเข้าเมาเซ่ <c oughs> พองใจเวเข่าซอยพองใจหอยต่างซอเสียงอืออออดเอาดันตัวเต้าแดนไก่เสียงกองใจเปียวปาดบ่อขาดขึืนวัน ชินป่ามันลูกไม้ดูต่างส่เอากินจอมนารินยอดเงาตนภาพดาวปาราหากคือดาแต่งไว้มีพ้อข่อยจูภากานตั้งของหวานฝาดส้มตั้งข้าวต้มข้าวดมมีอูดมลายแหลวางย้ายแพรทมท้องตามใจปองไขยากตามใจหากผัสลง พ่องแวดว่องเป็นหมูพ่องดังอยู่เป็นสายพ่องยืนย้ายเป็นตาพ่องเตี้ยวกว่าไปมาจุมาาพ้าจ้าไผหน่อยบ่อต่ำก้อยมองขี สำรานดีมวนเล่นบ่อแวะเวนยิงใจมะหอราสปลายมีกองสา น, นหองธานีกันยามดีมารอตนเตายอดพรหมตัดราชาก็จุ่มนมมาพร้อมควายตั้งพระโรหิตาใหญ่อาจารย์เสนาหันผู้เท่าอามัดเการาชตูตา พังผาจาผู้ใหญ่พร้อมเสียงไขเศรษฐีกาบอดีปอก่ายน้ำเรืปลาหมดใส่ย้ำวันไตวีเศรษฐาหูเกตถ อ, อยหุนบ่มาจนถูกตองในแห่งห้องลักกาณกออุตสาพิเศษอติเ ร, ก ท, รกทุนขวัญยกหนอหอดจันผู้เก่าคือว่าเจ้าสุริยะกกุ ม, มาร โนโปธีญยานบุญใหญ่คือเป็นเต้าไทยเสวยเมืองยกนางบุญเรืองหนุ่มดาวงามบา่เ้าปิน้นคำผู้บุญ น, นำบ่หน่อยคือเป็นยอดซอยเตวีเสวยเสียรวมข้างกับเจ้าจังสุริญาราชาส่วนพญาตนป่อนางแก้วนอมันดา กอดขอดมาตีไกส่องนอไทยบุญมีเอาไฟเซนดีบ่อเศร้ามัดมือสองเจ้าองค์คำแล้วไข่ํำปัญนโจกตามหนโลกโบราณธรรมนัาจา์ผู้เท่านบกมเก่าวันตาไขว่าจากเกาทอยหอสองยอดซอยสดสดีจุ้มเศรษฐีปอก้าพ้อทวนนาราจตุตา ตั้งเสนาผู้เท่าอามาตเก้าคนได้ลำดับไปขับไว้ส่ อ, สองนอไทยบุญเรื่องได้สะ่วยเมืองผาบดาวร้อยเอต้าวขาบสมปาน สุขสำราญเตียงมันยาดวนสันวารนากันอุจจาภิเศกอธิเรกมงคลยกยังตนเบียนแล้วเต้าตนแก้วพรหมตัดราชาก็เฮอพาจามวลหมูปอกที่อยู่ไผมันก็มีฮันแหลานาะ ตาต่อปัญญ า, าแรกแต่นั้นไปนานางนอลาปินคำบุญหลังน้ำจองก้องได้อยู่ห้องห่อใจคนิ่งในเกิดเล่าถึงสองเท่าอนาถา อันเรื่องกาลำหม อ, อกอยู่ปลายนอกเมืองขวางอันตนนางหนอไทย ห, หากเกยได้อาสัยว่าสองเขินใจตั้งคู่ยังตั้งอยู่สันดีหรือว่าเนี่ยผาคล้องไปอยู่ต้องแดนไก่กันคึดใจเบียนแล้วก็บอกเต้าแก้วสามีกาไขขี้ยาเรล่าเกา้าเฮาเต้าเป็นเจ้าตามี เจ้าปูเรตตอนใหม่เือเตา้ายยดใหญ่สุริญยาราชาจิงเรียกเซนาแกนใจมาตีไกลบัดเดียวแล้วจาเลียวบอกก่าหื้อข่าวขี้ยาสว่วนเซนาแกนใจก่อน้อมใบทุนสารว่าสองคนผ่านปูญ่านางบาปกามัตะานี้ใจบ่ดีจะถอยหื้อพวกน้อยนำมา ใส่กังเกงขังไว้ตีจิ้มไก่ห่อใจส่องเข็นใจป้าปูหากยังอยู่สันดีเจ้าปูรีฟังแล้วก็สั่งพวกแกวเตรียมใจว่าจุงไปไว้ยาเจ้าเอาสองปูปลามาฟันพวกน้อยยันรีพาวลงจากดาวห่อใจ รีบเรียวไวพดออกไปสู่คอกกังกานำสองขาแก่เท่ามานังเฝ้าเรียวฟันปู่ญ้าหันนังอ่อนงามจะจนปินคำ ตั้งหลงตัง้แดบข้างแห่งเจ้าจ้างราจายินสังกาลายลากบ่จ้างฝ่ากำได้นางใส่ใจนอละหันปู่ป้าสองขาอดคุณนาบ่ได้ <c oughs> ตุกเอาไมเครื่องขีจิงไขวตีอ่อนอ้อยทมที่ถอยลายภาการสองเท่าผ่านขี่ไรก่อน่้อมใบทุนสา ไครขี้ยาเหล่าเก้าหืดนางนอเนาจูอันอันกอมีหังเลยนาตรรมพักกาเส้โตัศรัทธาศรัทธาสัพปัญญุตนเป็นคู่แก่โลกคือปนโศกไพัยมัน หันนีทานไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาะทะโคสาเทวีดังนี้เป็นตน้นผีก้าเวดุราผีโคตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาติเจ้อนักผ่าธรงยญาณส่วนนางนงคันหนุ่มเนาางามบ่อเศร้าปิ่นคำ บุญหลังนำมารอดได้เป็นยอดจาน้าหันสองขาขี้ไรมาหนังไก่หอไนนั่งเลงไปสั้นที่บอบเหมือนตีเดิมมามีกาญ้ามนเศร้าเป็นมาดเก่าห้อยวายเดือตัวลายผ้าพ้อยดองเลือดย่อยยังมีนางเทวีหันลาจริงออกปากจะทม ด้วยกำแงบ่อเสาว่าดูราป่อแม่เท่าสองขาดเี้ยสังจ้าตดนใหญ่ตั้นจริงใส่ตั้นดักกำต้นาน้ำาหลแล่สังไว้แต่ยำใดจุงจะไขเกาหือเฮาหูตำมีสองเครื่องขี่ขี่ไรก่อนน้อมใบทุนสาไขขี่ยาที่ทอยว่าจุมพวกน้อยใจไฟ ออกเวียงใจเป็นหมู่เข้าไปสู่เกหาไขว่าจ่าทำเลว่านังดุมเนาสาวสีลักขานาดีอง์อาจวันณวีลาดเปล่งแปงมาสนแฝงอยู่ดีบัดนีลีเสียในปูป้าไข่บอกก่าวหือห้อข่าวตามมีว่าสาวสรีเว็นฟ้านีผากนาไกกา <c oughs> ไปในจาไปแจ้งบองหแห่งตั้งไปจุมใจไฟโคตรกาว่าปู่ป้าสองขานำสีโซภาหน่อยอ่อนไปลี่ซ่อนแดนไกเขามีใจอยาบจามัดปูป่ป้านำมาใส่กังกาขังไว้เค ข, ขาไขวันคืนนั่งนอนยืนยิน้นอยากตกลำบากเหลือลาย <c oughs> เอาเสวายมาฝาดเลือดย่อยหยาดไหลลามแลออม้วก็ทำาจใจว่าเอานังนอไทยไปไหนเมืออ่อเจ้าห่อใจยดเหย้าได้ร้องเป่าพระจาเออได้มามวนเล่นเข่าจิงเวนเบียนคีดังเตวีแม่ไทยมานังไกเล้งหันบัตนี้เลยนะ เมื่อนังเตวีหนุน่มดาวฟังคำเทาสองขายินคุณนาลายแลน้ำตาแพริรินไหลจริงจะไขโอกาส <c oughs> ขอตาอธิราชเพื่อควันอาจยาปันอาจยาปันบ่จ้าปล่อยปูป้าสองขาแล้วฮื้อมาอยู่ไปตีไกหอหน องเข็นใจแก่เท่าสุข ย, ย้อนเจ้าเตวีสัมรันดีนจื่อจอยหายต่ำค้อยมองผ่านยอนาน้อนนางลงคานยดใหญ่ขึ้นใจไข่เต้นคุณนั้นแลยนะ ตาตาไดกาลนันไซจุมไัยไตยิงใจมีหลวงลายมวลหมูเข่าฟูจากันว่าเจ้าห่อจันสุริญทรราชไดนางนาเทวีชมงามดีใจจ้ามาจากป่าดงดอนสลีบังออนน้อยอ่อนงามจะจนหอมนวลดังอยู่สวนดวงดอกกันท่าออกหอมไก่ ถ้าหลบไปตัวเต้าหอมรถเร้าใจหนัวเหตุว่าตัวนางนาดบ่อใจจาดสาวคนเป็นสาวบนฝากฝ้ากับเปตดตาลงมากำรือสาดังนี้ไปรถตีแดนไก่เล่าหรือไปสาวถึงเขต้านานาคนนำนามวนหมู่ไหลมาสู่ทั้งวัน เทียงเดืองนั้นซาเศว้าเกิดไข่าดาวธานีปาราณีเบื้องใหญ่ตั้งแต่ไทยเดิมอ่อนเป็นดากอนกิจจ้อมคนพัมพ้มเลือลายเตีย <c oughs> วผันภายซาไซบอเว้นไว้แดนได้ส่วนเจ้าหอใจต่างดาวกำเหล่าเศร้าถึงหูพ้องใครดูเฮแน่ว่ามีแต่ตามกำ อันคนนำเรล่าอ้างเรือเป่าวางเสียได้พ่องก็หมยเป็นเก่นว่าพี่เหม่นสัต จ, จังพ่องก็หวังใครได้เอาไปไว้เตรียมคิงกึดขาดิ้งการบาปจากมาภาพเอานางเจ้าห่อความต่างค่ายพ่องกึด้รเบียนพีพ่องกึดดีจืนสู่ใครมาสู่เล่งหัน บ่เหมือนกันสักเต้าเป็นดังเก่าใครมาอันนี้เลยนะอาถาในกาลนั้นเรล่ายังมีเต้าเจ้าปาราชื้อพญาสมภมาตราจเจ้าภาษาตโกสัมปี <c oughs> เมื่ลายปีเมื่อก่อนเฮียนอยู่บอนเดียวกันกับหนอจอมทันที่ัยในเมืองใหญ่ตักกาซีลาดังก่าวมาหลวงแล้วมันจังเจ้าหนอแก้วบุญมีโกธาหมีบาดไม่เก็บเมียดไว้ในใจว่ากันยามใดปอกเต่าใดเป็นเจ้าภาปุรี จังไปตีหบภาพเก็นขาดาบเอาเมืองกันเจ้าบุญเรืองลาภากอกไปจากอาจารย์เข้าดงดานป่าไม่เพื่อกซอไซแสวงฮายังตาป่าซาตนอง์อาจจบชาลาทารงญานสมมาตัดกุมานแบบเศร้าก็ปอกเตาเมืองมันอยู่หอจันภาษา เป็นอุปราชราชาแต่นั้นมาบอกเจ้าเต้าเจ้าฟ้าปิตาก็มรณามวยมังเมืองใหญ่กว้างโกสัมพีสมบัติีหลายแหล่ก็ตกแก่ตัวมันได้นั่งห่อจันทภาพดาวคือเป็นเต้าภาพเพียงใจกันคนไปบอกข่าวฮื้อหูข่าวถึงหู ว่าเจ้าบุญจูน้อยนาดโอรสราดประราณสีได้นารีผาเสื้งาลำเลิดเหลือคนจากไพรสนเถือนทองมารวมห้องผางกา กินกันท่านางน้องหอมไขห้องห่อใจหอมเอาใจจูผฟูบ่อเว้นกูยิ่งใจยิ่งตั้งหลายโลกวาาา้างบ่ออาจางเตรียมตันเจ้าหอ่อจันสมมติราดก็เกิดขวาดในใจว่าจากไปอกภาพก็นขันหาบแต่งฟันคาตัวมันฮือได้เอาเบียมาไว้เตรียมคิง กันขาดิงเสียงคอเต้าใบาบอสมตัดรัชกากรียกเสนาผู้เท่ามานางเฝ้าเดี๋ยวปั้นแล้วไขรปันบอกเก่าเฮร้ อ, รองเป้่าสัญญา เสนามวลหมู่มาพร้อมอยู่เรียงไว้เสนาในผู้แก่นลุกแล้วเล่นไปไว้ตีกองใจเป่าร้องไปไขห้องคูรีก็มีหันแลยนะ อาซะบิงคาเนในคานานั่นเหล่าเซนาเก้าและปายมีลวงหลายบ่โน่แอ่นับหลายลอยหลายปันมาพร้อมกันบ่จ้าถือเครื่องค่ากับตน เล่นสาสนสะสซมาพร้อมอยู่บัดเดียวรีพนเตวเป็นตาเสดาะมาลวงลายจังฟังปลายลายซำรถเกวียนพรมอนันตาไหลกันมาจะจืดฝุ่นฟุ้งมืดบังบนจุมรีปนหร้องสานาันกองดินดานจังปลายสานร่องแซนมาฮีเห็นนันเนือง ปานดังเมืองใหญ่กว้างจักแตกมั่งเป๊ปังตาตานั่นตารังลำดับนั้นใส่เต้ายดใหญ่ใจฮานมีราดองค์การร้องเปล่าเฮือกข่าวขิดยาวาลุระเสนาเฮยอมวนหมู่เราจักไปสู่แดนไก่ถึงเวียงใจใหญ่กว้าง มีจืออ่างปาราณสีเปื่อเข้าตีหบภาพเกินคานาบเอาเมืองแห่งเต้าบุญเรืองสุริยราเตจะาอาจลุลซาสู่จุงดาอย่าจ่าเราจักกว่าเร็วปันเจ้าห่อจันกาวแล้วก่อกาดแก้วพันภลายขึ้นจ้างไปตัวกาออกก่อนนำปน ยามเรือโจนผาม่างตนเจ้าจ้างสมมาตัดราชานำเสนามวลมากออกไปจากปุรีกองใจตีบอกขาดจอตุงวาดเป็นสายโยธาลายไลลออกแบกหนัดหอกเป็นแถวพอเป็นแนวจะจืดฝุ่นฟุงมืดบังบนสมมาตัดตนยศใหญ่นำภายใต้โยธา มีนำนาบ่อน้อยนับหลายร้อยหลายพันรีภายพันใตเต้าเปืือไปบหกเจ้าบุญตาตามมักกาตั้งไตคามบ้านใหญ่คนนำลัดดงดำพดออกถึงบ้านออกเดนไก่เข็ดเพียงใจต่างเต้าลัดด่านเดาดงควางบ่มีตังจักกว่าเอาสื่อน่าเป็นไม้ ล้างเตือกายแม่น้ำมีพร้อมพำไหลอันลหลขึ้นวันจริงรอดเมืองแก้วยอดปาราณสีก็มีวันนั้นแลยนะเนทิตังขีญาสังวันดานาวีเศษจาห้องเหตุนางมากปินคำผูกทวนสิบแม่เหื่อนยิบพาเสื้อยังรังเรือเป็นกม สวางตําเป็นเตือละไหวเผื่อไปหลังผูกสิบเอ็ดยังไปนาบ่อเดินจ้าหึงนานจากปริญโยสานสุดยอดขอยังจอดเศร้าซาขอศรัทธาน้อยใหญ่ตั้งบ้านไก่และไก่แปลงใจใสจืดจ่อยฟังผูกสร้อยตุ้ยไปก่บังกมสมฤตเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนและ